241ิ 1> 24 1. วิปลาสสี่ในธรรมะคืออย่างไรวิปลาสในธรรมะแบ่งออกเป็นสี่ประการได้แก่หนึ่งผู้ไม่เรียนรู้ธรรมะเลยหรือเรียนแต่ยังไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นธรรมะบริบูรณ์สมบูรณ์ว่า ธรรมะคืออะไรธรรมะสำคัญแค่ไหนและจะใช้ธรรมะในชีวิตเราอย่างไรผู้ไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นธรรมะสมบูรณ์ก็จะเป็นคนที่กำหนดหมายกำหนดรู้ในอะไรต่ออะไรหรือใช้ความฉลาดหรือใช้ชลา ย, ยตนะ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 ผู้ไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นจิตสมมูรณ์ก็จะเป็นคนที่มีจิตเป็นตัวบงการความเป็นธรรมะหรือในชีวิตชีวิตของผู้นั้นก็จะมีแต่ผิดพลาดไปจากความเป็นจริงสผู้ไม่เรียนรู้ทิฏฐิเลยหรือเรียนแต่ยังไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นทิฏฐิ บริบูรณ์สมบูรณ์ว่าทิฏฐิคืออะไรทิฏฐิสาคัญแค่ไหนและจะใช้ทิฏฐิในชีวิตเราอย่างไรผู้ไม่รู้จกักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นทิฏฐิสมบูรณ์ก็จะเป็นคนที่มีความรู้ความเห็นความเข้าใจความเชื่อถือทฤษฎีหลักลัทธิในอะไรต่ออะไร หรือมีทิฏฐิในอะไรต่ออะไรนำพาชีวิตผิดพลาดไปจากความเป็นจริงจากที่ควรเป็นอย่างยิ่งเช่นวิปลาสในของที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงอานิเจนิจสัญญโน